พอาจารย์ครับกลาวนามสกัครับจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสิบเก้าแล้วนะครับพระอาจารย์ครับนนตอนนี้ก็มีคนชมอยู่ประมาณพันกว่าคนครับพระอาจารย์ครับประเช้าพระอาจารย์ไปบินบาดคนเยอะไหมครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็สี่ร้อยแปดสิบสามสี่ร้ยแปดสิบสามอ๋อ แล้วก็มีทางบ้านอีก400ถึงไหมครับอาจารย์ทาบ้านก็ประมาณสัก200 200ครับผม <100. S 1> แล้วฟังทงํำปอมบายเยอะไหมครับรอาจารย์ครับตอนบายก็200ที่หน้าคุติรวมกันก็800กว่าอ๋อครับผมแล้วจทุกครับอาจารย์ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยแล้วเพราะไมไ่ได้ออกกําลังกายใช่แต่กําลังพูด <laughs> แต่ตอนเย็นๆพ่อจารย์ยังเดินอยู่น่ากุดไหมครับพ่อจารย์เดินอยู่เดินอยู่แต่เดินไม่ไม่ได้เดต่อเนื่องเดินได้ทักงสองสามนาทีก็ต้องนั่งพักสักนาทีหนึ่งว่ามันเมื่อยลำครับถ้าก็เดินหนึ่งสองเดินหนึ่งสองสามนาทีก็พักอีกเดี๋ยวก็ไม่ได้เดินเลยทีนี้เดินไม่ได้นานยืนนึกเดินไม่ได้นานสองสามนาทีมันจะเมื่อยลำเมื่อยก็ต้องนั่งสักนาทีเนี่งนาทีก็ลุกขึ้นมาทําได้ อยู่ได้แค่สองสามนาทีชีวิตก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโชคดีเราไม่มีงานอะไรสำคัญต้องต้องทําก็เลยสามารถปรับปรับวิถีชีวิตของเราให้เข้ากับสภาพของร่างกายได้ก็เลยไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการจะต้องไปหาหมอไปรักษามันปรับใจเราให้อยู่กับกายไปกายมันเป็นอย่างนี้เราก็ใช้กายตามที่มันสามารถที่จะรับใช้เราได้ อาการของพระอาจารย์ในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าส p i n น l s ต e โน s i s ครับพระอาจารย์คือแต่ว่าลักษณะของช่องของไขสันหลังมันแคบลงครับพระอาจารย์พอมันแคบลงเนี่ยเวลาที่ยืนหรือเดินสักพักหนึ่งต้องหยุดแล้วลงไปนั่งลงยองแล้วก็จะก็จะรีเลสได้มาทำใหม่ช่วยครับแล้วก็เร า, า, าคุณกำลังเดินกยืนสักสองสามนาทีก็เป็นอีง ครับก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปขี้เกียจไปขี้เกียจไปหาหมอขี้เกียจไปโรงพยาบาลมันวุ่นวายกว่าครับการที่เราปรับชีวิตของเราให้เข้ากับความเป็นจริงของมันครับมัาเป็นจริงของร่างกายใจกับกายเนียคู่กันเรารู้จักปรับให้มันเข้ากันเหมือนเหมือนกับเวลาที่สมัยก่อนเต้นลาเนี่ยลำเป็นคู่ของเราะ ก็ต้องเต้นให้ให้เข้ากันใช่ไหมครับผมตัวฟังอาการนี้จะรู้เลยครับอาจารย์เป็นเป็นเยอะมหมสําหรับคนที่สูงอายุคนที่มีอายุมากเป็นเป็นกันเยอะครับอาจารย์ก็คือไขสลหลังกระดูกตักระดูกสัลหลังเนี่ยมันอาจจะมีเคลื่อนแล้วทําให้ช่องที่ไขสลหลังวิ่งผ่านเนี่ยมันไดอมิเตอร์มันแคบลงอ่ะครับอาจารย์อืมมันก็เลยเท่าที่รู้สึกเ็จะมันหลังตึมันมันเต่งเส้นนั้นรู้สึกมันเต่งมันแข็ง พอได้ผ่อนคลายหน่อยมันพอนั่งมันก็ผ่อนคลายมันก็หายแต่พอลุกขึ้นมายืนมาเดินมันก็ตึงขึ้นมหมีครับแต่ไม่ได้อันตรายอะไรครับอาจารย์แต่เพียงแต่เดินไม่ได้ไกลเท่านั้นครับเอต่อไปก็อาจจะต้องหาวิวชแชร์ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปครับคโรคอย่างนี้เป็นกันเยอะนะแต่ละค น, นพูดส่งมาเยอะอน้นองคือส่วนใหญ่ก็รักษากันยังไง จริงๆแล้วถ้าถ้าจะถ้าจะดูว่าให้ชัวไหมต้องไปเข้าอุโมงก่อนครับอาจารย์อไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงมัาเกิดจากอะไรแล้วถ้าเป็นจริงๆบอดีเขาไปเจาะขยายช่องไข่ะหลังขึ้นครับอืมครับผมแล้วมันสามารถที่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่หลังจาที่ไปโอ้อยู่ยาวเลยครับอาจารย์มันอยู่ได้อถ้าไปแก้ที่ต้นเหตุเพราะว่ามันจริงๆโลกมันไม่ได้อันตรายอะไรครับผมอืมครับนี่นอนหลับสบไป ถ้าทนไม่ไหวจริงๆกแค่อยค่อยวิ่งนะหมอครับภายใอนนทนได้ครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยกลับเรียนถามขอปัญญาจากอาจารย์เรื่องที่พึ่งของใจครับอาจารย์ตอนนี้ที่<ร>พึ่งขอ ง, งใจก็เหมือนกับที่พึ่งของร่างกายนะชีวิตของเรามีสองส่วนมีร่างกายและมีใจเราก็หาที่พึ่งให้ทั้งสองส่วนที่พึ่งของร่างกายกคืออะไร ก็คือปัจจัยสี่ทุกคนยอมรับใช่ไหมว่าเราต้องมีปัจจัยสี่สำหรับร่างกาย ถ, าถ้าอยากให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขก็ต้องมีอาหารรับประทานแล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆแล้วก็มียารักษาโรคไว้สําหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ใจก็เหมือนกันใจก็ต้าต้องการปัจจัยสี่มาร่างกายเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของร่างกายไม่สามารถอำมาใช้เป็นปัจจัยสี่ของของใจได้เรามีปัจจัยสี่ให้ร่างกายครบบริบูรณ์ร่างกายเราสุขสบายแต่ใจเราอาจจะทุกข์ก็ได้ที่ทุกข์ไห้ก็เพราะใจขาดปัจจัยสี่ของใจไม่ใช่ขาดปัจจัยสี่ของร่างกายปัจจัยสี่ของร่างกายไม่สามารถมาเยียวยา ความทุกของร่างกายได้ต้องอาศัยปัจจัยสี่ของใจถึงจะสามารถเยียวยาได้ปัจจัยสี่ของใจก็ก็เป็นเหมือนกันต้องมีอาหารมีเครื่องน้มงห่้มมียารักษาตเองมีที่อยูอาศัยเพียงแต่ว่าอาหารของใจไม่เหมือนกับอาหารของกายอาหารของกายก็คือกับข้าวกับปลาที่เรารับประทานกันแต่อาหารของใจนี้คือทาน คือการทําบุญทําทานการให้การเสียสละแบ่งปันเวลาเราได้ทําบุญทําทานเราจะรู้สึกอิมอ่มเอบใจเราได้ช่วยเหลือคน น, นั้นคนนี้เห็นคนนั้นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนที่อยู่อาศัยขาดแคลนยารักษาโรคพอเราไปช่วยเขาเราเห็นเขาได้บรรเทาความทุกข์ยากลาบากของเขา เราก็จะกลาความสุขใจขึ้นมาในใจเราอิ่มใจขึ้นมาบางคนรู้สึกใจฟูรู้สึกมันมันคอวามรู้สึกที่มันสบายอันนี้แหละคืออาหารหงใจแทนที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันเพราะสาเหตุที่เราไปไปหาความสุขกันก็เพราะใจเราไม่มีความสุขใจเราไม่มีอาหารขาดอาหารแล้วเราคิดว่าอาหารที่จะมาเยียยา ให้กับใจก็คืออาหารทางตาหูจมูกเลี้ยกายคือไปเที่ยวไปกินไปเด่นไปดูไปฟังอะไรกันความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขมันก็หายไปชั่วคราวแต่พอสักพังเดียวมันก็พอกลับมามันก็เหมือนเดิมยังไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นอาหารของใจมันไม่อยู่คู่กับใจไปนานเหมือนกับการทําบุญทำทานเวลาทําบุญทำทานนี้ ความรู้สึกที่มีความสุขมีความอิ่มใจนี้มันจะมันจะอยู่กับใจต่อไปมันจะทําให้ใจนี้นไม่ค่อยหิวโหยกับการที่ต้องไปแสวงหาความสุขทางด้านอื่นทางรูปเสียงกลิ่นรสทางหน้าจรสัน ร, สริญสังเกตดูแตคนที่ทําบุญเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นคนสันโดษเป็นคนเรียบง่ายไม่ค่อยชอบของหรูหราไม่ชอบของฟุ่งเฟือย เป็นคนนุ้มเป็นคนเนี่ยบง่ายไม่หิวโอยกับแสงสีเสียงต่างๆเพราะใจอิ่มไงใจยิ่มจากบุญที่ได้ทำไว้อันนี้ก็คืออาหารของใจถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เราหิวอย่าไปอย่าไปซื้อยาเสพติดให้กับใจยาเสพติดก็รูปเสียงกลิ่นรถเนี่ยเป็นยาเสพติดเวลาเสพมันก็มีความสุขเหมือนกับยาเสพติด เวลาซื้ อ, อยาเสพติดมาเสพชชคที่เสพมันก็มีความสุขแต่พอฤทธิ์ของยาหมดไปความสุขนั้นก็หายไปความอยากความต้องการยาเสพยาเสพติดก็เพิ่มขึ้นมาอีกกลับมาอีกแล้วถ้าไม่ได้เสพทีนี้ก็จะทรมานอเลยอยากจะเสพยาเสพติดที่เคยเสพพอไม่ได้เสพมันก็จะทรมานนี่ก็เหมือนกันถ้าเราใช้วิธี หาความสุขให้กับใจด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาที่เรากลับมาบ้านความรู้สึกที่สนุกสนานจากการได้เสพมันก็หายไปความสุขที่ได้จากการเสพก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะออกไปเสพอีกแล้วถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถออกไปได้เช่นช่วงโควิดเนี่ยทุกคนไปไหนไม่ได้เนี่ยตอนนั้นจะรู้สึหกหงุดหงิดลำขาญใจกันอยู่ในบ้าน เพราะขาดยาเสพติดที่ที่เคยเสบอยู่เป็นประจำอันนี้อย่าอย่าไปอย่าไปแก้ปัญหาของความหิวโหยของใจด้วยการไปเสพไปซื้อสิ่งที่เกี่ยวกสิ่งที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นร้นผดทะพารูปเสียงไม่ว่าจะเป็นการไปดูบรสบบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อ ซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นทั้งหลายที่เราคิดว่าเราซื้อมันแล้วมีความสุขมัความสุขเดี๋ยวเดียวในขณะที่เราได้ซื้อมันมาพอากลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปความหิวก็เกิดขึ้นใหม่อย่างนี้ต้องออกไปซื้อใหม่อเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่เงินทองไม่พอใช้ที่นี้ก็เดือดร้อนไม่มีวิธีก็แก้ความความโมยีดนนำคางใจเพราะไม่มีเงินไปซื้อของเหมือนเมื่อก่อน เมื่การมีความหงุดหีิดทํากางวลใจก็เอาเงินไปซื้อไปซื้ อ, อ, อของต่างๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปทําบุญทาทานมันจะไม่มีอาการหิวเหมือนกับยาเสพติดเพราะมันเป็นเหมือนอาหารการทําบุญนี่มันได้กินอาหารกินอาหารแล้วมันก็อิ่มท้องสบายมั น, นก็ไม่หิวกับสิ่งต่างๆนี่คืออาหารของใจถ้าอยากจะ มีความอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจก็พยายามทมําบุญทําทานไปเรื่อยๆทุกครั้งทุกครั้งที่ยาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเอาไปทําบุญทําทานดีกว่าแล้วความรู้สึกสุขใจอิ่มใจมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์ความความสุขใจอิ่มใจมนี่มันมีประโยชน์ทั้งขณะปัจจุบันที่เราทําอนาคตก็คือเวลาร่างกายเราตายไป ใจเราก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยที่เป็นที่เราได้ทําสะสมไว้ในใจพาเราไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์แล้วพอการมาเกิดใหม่ล้วก็อาศัยบุญที่เราได้ทําเนี้สามารถที่จะกลับมาบิกเบิก บ, บุญเบิกเงินที่เราได้เสียสละไปเป็นเหมือนกับธนาคารบุญเมพอเรากลับมาเกิดเราก็จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทงองรอเราอยู่เกิดมามีฐานะ ร่ำรวยสุขสบายไม่ยากจนเพราะนี่คืออ น, นิสงส์ผลประโยชน์ของการทําบุญทาทานนะมีสาระยะในการระยะปัจจุบันทำแล้วเกิดความสุขใจอิ่มใจระยะที่สองเวลาที่น่างกายตายไปเ ร, ไเราไม่สามารถใช้นั่งกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขได้เราก็ต้องอาศัยบุญที่เราได้สะสมไว้ในใจของเราแล้วระยะที่สามพอเรากลับมาเกิดใหม่ เราก็จะมีมบุญอรองเราอยู่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทงองรอเราอยู่อย่างที่พระเวสสันดรเนีตอนที่เป็นพระเวสสันดรท่านก็ทําบุญทําทานอย่างเต็มที่พอตายไปท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดก็น่ามาเ ก, มเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอรองรับอยู่เต็มที่มีประสาทสามเรื่องอยู่เป็นต้นอ่านี่คือ ไม่คืออาหารของใจถ้าอยากจะให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มเราทําบุญดยเด็แต่อย่าเพิ่งทำครั้งเดียวแล้วหวังว่าจะได้ผลนะมันต้องทําบ่อยๆมันต้องทํำลึกๆทําแบบว่าให้มันสะเทือนใจสะเทือนกิเลสของเรากิเลสของเรามันมักจะตนหนีมันมักจะห่วงพอเราจะทําบุญมันจะมีเหตุมาอ้างหลายอย่างต้องเก็บไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เกิดเป็นอะไรไปนะมีเหตุหลายอย่าง แต่ถ้าเราไปเที่ยวนี่ไม่มีเห็นมาขวางเลยดู<ะ>ยสัเกยดูสิถ้าเราทำบุญแต่ละครั้งนี่เหมือนคิดหลายรอบ ก, กว่าจะทำเท่าไหร่ดีเนาะแต่ถ้าเราไปเที่ยวเห็นกระเป๋าสวยๆเหน็นองท้าสวยๆเห็นเท่าไ<ช>ห ล, ล่แลวตายเลยนี่แหละไอ้ที่ผนของกิเลยต่อจิตใจของเรามันพยายามจะขวางเราไม่ให้ทำบุญกัน จะไม่เหตุอยู่เรื่อยเวลาจะทำบุญแต่ละครั้งนี่มักจะมีเหตุแต่เวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่เท่าไรเท่ากันนี่คือคืออาหารของใจคือคือการทำบุญทาทานส่วนส่วนเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลนี่เองศีลนี่แหละเป็นเป็นเครื่องนุ่งห่มที่จะทำให้ใจเราสวยงาม สังเกตดูระหว่างคนที่มีสินกับคนที่ไม่มีสินใครจะน่ารักกว่ากันต่อให้มีร่างกายสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าใจไม่สวยเนี่ยคบกันไม่ได้หรอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ารู้ว่าคนนี้ไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่รู้ถรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่ชอบโกงไม่มีใครอยากอยคบค้าสมาคมเราอยู่ด้วยถ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ชอบโกงไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถึงแม้รูปร่หน้าตาจะไม่สวยงามแต่ก็น่ารักหน้าครบค้าสมาคมด้วยถ้าไปสมัครงานก็กจะถูกเลือกก่อนถ้าถ้าถ้าคนเลือกเลือกเป็นถ้าคนเลือกเขาจะเลือกดูกสมบัติคุณสมบัติก็คือจิตใจว่าเป็นยังไงจิตใจซื้อสัตา์สุดเจริญหรือไม่ระหว่างคนซสื้อสัตา์ตสุดจริญกับคนไม่ทุไม่สุดเจริเนี่จะเอาใครดีกว่าแลนนี้ก็คือเสื้อผ้าอ่อน ของใจคือศีลเสื้อผ้าพร น, นี่มันก็มีหน้าที่สออย่างสำหรับร่างกายก็ไว้เสริมสวยความงามสงา่าราศีเวลาคุณหมอไปเข้าสภาเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าที่สมกับฐานะของวุฒิสภ า, าใช่ไหมวุฒิสม า, าชิกอันนี้ก็ทําให้ถ้าเราไปแต่งตัวแบบนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ <laughs> <laughs> ไมไ่เข้าสภ า, า <laughs> ไม่ได้ทำไม่ไ <laughs> ด <s> ้ส่วนหนึ่งของเสื้อผ้ า, าก็เสริมสวยความงาม น้ำสวยความมีศักดิ์ศรีของคนถ้าเรามีเสื้อผ้าที่สวยงามใส่มันก็ทําให้เรามีศักดิ์ศรีแล้วก็ศีลก็เหมือนกันถ้าเราไม่ศีลเราก็จะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าไว้ใจแล้วอีกอย่างหน้าที่ของศีลก็คือหน้าที่ของเสื้อผ้าก็ปกป้องร่างกายจากภายัยเช่นแมนลงสัตว์กัดต่อยอะไรทำนองนของแหลมคมต่างๆซึ่งอาจจะอาจจะไม่ ไปโชบไปเชียถูกมันกิ่งไม้ไมต้นไม้อะไรต่างๆที่มีนหนามถ้าเรามีเสื้อผ้าใสายมันก็จะไม่ขีดมันก็ไม่เข้าไปถึงเนื้อเราแล้วก็ป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ใช้ป้องกันอากาศหนาวเย็นได้อันนี้ก็เป็นการป้องกันภัยให้กับร่างกายเสื้อผ้าของร่างกายใจก็เหมือนกันใจก็มีภัยที่คุกคามใจที่ภัยที่คุกคามใจก็คืออบายสี การไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรและกายเป็นอนรกนี้เกิดจากการไม่มีสินนั่นเองไม่มีเสื้อผ้าของใจไว้คุ้มครองปกป้องคนที่ทําบาปนี่เป็นคนที่ไม่มีศีนเมื่อทํำบาปแล้วเวลาตายไปถ้าบาปนี้มีมากกว่าบุญบาปก็จะส่งไปสู่อาบายทั้งสีสที่ขึ้น อ, อยู่ว่าทําบาปด้วยเหตุผลในทาบาปด้วยความหนงก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานทาบาปด้วยความโลภ ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นน ส, สุรกายทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาจฆ่าพยาบาลเข้าไปนรกแต่ถ้ารักษาศีลได้ไ ม, ไม่ไม่ทำบาปได้ก็ไม่ต้องไปไปไปเกิดในนรยนี่คือปัจจัยที่สองของใจคือเสื้อผ้าพอของใจก็คือการมีศีลศีลห้านี่แหละเป็นศีลพอเพียงแล้วที่จะรักษาใจ ให้มีสง่าลาศีให้สวยงามให้หน่าชื่นชมนับถือแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใจต้องไปรับรับกับภัยของใจคือการไมปเกิดเป็นไปเกิดแนอาบายปัจจัยที่สามที่ใจต้องการก็คือที่อยู่อาศัยร่างกายเราก็ต้องบ้านต้องการที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยห ล, ลบด่านั้นใหใจเราก็ต้องมีที่หลบภัยเหมือนกัน ภัยของใจก็คืออะไรก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความเครียดความมีตกกังวลความหงอยความกลัวแต่ถ้าเรามีบ้านถ้ามีบ้านของใจเราก็สามารถหลบเข้าไปในบ้านได้แล้วภัยภัยของใจนี้ก็จะหายไปถ้าไม่สามารถต่างเข้ามาบ้านได้มันัะเวลาเราหลบหลบฝนหลบแดดหลบภัยหลบอะไรต่างๆที่เป็นภัยพอเราหลบเข้าบ้านแล้วก็ปลอดภัย บ้านของใจคืออะไรก็คือสมาธินี่เวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้ความคิดปุุงแต่งหยุดคิดปับ๊บความเครียดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งก็หายไปหมดเนื่งแต่ความเย็นความสงบความสบายความสุขความเบาอกเบาใจอันนี้คือบ้านของใจเป็นที่อยู่เียเทียบ ปลอดภัยเวลาเรามีความเครียดเวลาเรามีความวิตกกังวลฟุ้งซ่านี่ยถ้าเรามีบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านได เ, เข้าไปในสมาธิได้แต่ส่วนใหญ่เราเข้ากันไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักบ้านของเราเราไม่ค่อยสร้างบ้านของเรากันเท่าไหร่เราเสียเวลาทุ่มเทเ ง, เงินเป็นร้อยล้านพันล้านไปสร้างบ้านของร่างกายแล้วก็ไม่ได้อยู่ส่วนใหญ่ให้คนใช้คนรับใช้อยู่กันวันหนึ่งแล้วก็ออกไปทำมาหากินข้างนอกอย่างมากกลับมาก็มานอนในบ้านนั่นเอง พอตื่นเช้าก็ไปนะส่วนกลางวันนี้ลูกน้องอยู่บ้านเป็นเจ้าเป็นเจ้านายของบ้านได้อย่างสบายใช่บ้านเราสร้างไว้ด้วยความหลงคิดว่าต้องสร้างบ้านรูหลายใหญ่ตโอให้มีเกียรติแต่เป็นอย่างที่พูดะเกียรติของคนมันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ศีลอยู่ที่ความมีความซื่อสัต์สุจริตหรือไม่ไ เราไม่ค่อยมีเวลามาสร้างบ้านให้กับใจกันใจเราเลยไม่ค่อยมีที่ที่พึ่งทางใจทางดน้านเนี่ยที่เราขาดกันมากก็คือบ้านที่อยู่อาศัยของใจสมาธินั่งสมาธิกันไม่ได้นั่งได้ห้านาทีสิบจะสร้างบ้านนาทีสร้างสักหานาทีสิบนาทีก็อยุดสร้างแล้วเหนื่อยสู้ไม่ไหวก่อนจะสร้างบ้านเสร็จนี่วังทีต้อนั่งใช้เวลาหลายนาทียี่ส4บสาสิบสี่สิบสำหรับผู้เริ่มใหม่ใหม่ ผูยังมีสติน้อยแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆมีสติมากขึ้นต่อไปเวลานั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตก็สงบได้ถ้าอยากจะมีที่หลบภัยหลบความเครียดหลบความทุกข์หลบความวิตกกังวลต่างๆก็เข้าสมาธิไปได้ น, นี่คือที่อยู่อาศัยของของใจคือสมาธิแล้วยารักษาโรคของใจคืออะไรก็คือปัญญา ปัญญานี่แหะคือธรรมโอสถเวลาที่เรามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เรื่องของร่างกายเราทุกข์เพราะร่างกายเรามีโครคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถรักษาให้มันหายได้แต่ใจเรากักงวลวิตกห่วงใยกลัวบางทีเข ก, กลัวว่ามันจะทำให้เกิดถึงกับความเสียชีวิตได้นี่คือความเครียดจะเกิดขึ้นจากการที่ใจเรา มีความทุกข์กับเรื่องของร่างกายวิธีแก้ก็คือเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอก็อยู่ในสภาพเดียวกันหมอก็แก่เจ็บตายเหมือนกันคนที่ไม่ใช่เป็นหมอก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลามันจะมันจะเป็นก็ต้องเป็น ถึงเวลาจะเป็นโรคมันก็ต้องเป็นโรครักษาได้ก็มีบางทีรักษาไม่ได้ก็มีพอถึงเวลาเนี่ยก็ต้องทําใจอย่างเดียวพราะยามรับความเป็นจริงปัญญาก็จะสอนให้เรามองให้เห็นว่าร่างกายเป็นไตายร่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนตัตตาไม่เที่ยงเกดแก่เจ็บตายอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ที่เราทุกคนเราอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราไ่อยากเข้ามันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์นี่พอเรามีปัญญาแเรวก็รู้แล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากทุกข์จะทุกข์ก็อย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเสียพอยอมได้ใจก็หายทุกข์อยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่กับความตายได้อย่างไม่มีความทุกข์ใจนี่คือปัญญาธรรมอษฐ์ ที่เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในปัจจัยสี่แต่ก็จะจำเป็นทั้งสี่อย่างนะเพราะมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันก่อนจะมาถึงปัญญาได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลก่อนก่อนที่เราจะมีศีลได้เราก็ต้องทําทําำทานให้ได้ก่อนมันก็เลยเป็นสเต็ปเป็นขั้นเมนกับการศึกษา จากอนุบาลไปสู่ชั้นปฐมจากชั้นปฐมไปสู่ว <t> ัฒยมจากวัฒยมไปสู่ชั้นอุดมศึกษาพย่ามาสร้างปัจจัยสีแห้กับใจกันบ้างอย่ามัวแต่สร้างปัจจัยสีแห้แต่น่างกายไปอย่างเดียวร่างกายสุขสบายแต่ใจนี่ไม่ค่อยสุขเหมือนนั่งกายร่างกายมันความจริงร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราน่างกายมันคนรับใช้เราเรากลับไปเลี้ยงดูคนรับใช้เราดีกว่าเลี้ยู่ตัวเราเอง ต, ตัวเราเองก็คือใจเราวไม่ค่อยเหลี้ยงแลนดูแลใจแต่ท่านเราถ้ากําเราดูแลร่างกายนี่ร่างกายนี้เราเราหาอาหารหดีไปพาไปกินร้านอาหารหดีเมื่อเราเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแล้วก็เสื้อผ้าก็ซื้อของราคาแพงๆของแบรนด์นี้นต่างๆให้มันใส่บ้านก็สร้างแบบหรูหราเป็นแบบปราสาทราชวังไปถ้ามีเงินก็สร้างกัน ยารักษาโรคออกพยาบาลก็หาโรงพยาบาลเอกชนที่มีบริการที่ดีที่สุดเนี่ยเราทําให้ให้กับคนใช้เราเชื่อไหมเชื่อไหมน่างกายเราเป็นคนรับใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเรากลับไปดูแลเลี้ยงดูเป็คนใช้เรายิกก่งการแต่นายคือใจใจเราใจนี้เราถ้าจะไม่ได้ดูแลเลยบุญก็ไม่ค่อยได้ทําเลยศีลก็ไม่ค่อยรักษาเลยสมาธินี่แทบจะไม่ได้นั่งเลย ปัญญาก็ไม่เคยปร่งายรักอนนี้จังทุกข์ขังมนณะตาเลยใจของเราถึงเครียดถึงทุกข์อยู่ทุกวันทุกเวลาต้องสังเกตดูเลยร่างกายเราสบายคนใช้เราสบายแต่ใจเราทุกข์เพราะเราเราดูแลแต่ร่างกายหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแต่เราไม่หาปัจจัยสี่ให้กับใจเพราะเราไม่รู้ว่าใจต้องการปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายตอนนี้เรารู้แล้ว พ่ะคุณพระอาจารย์ให้ปัญญาครับเมื่อกี้ฟังเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับพระอาจารย์ผมก็แต่งตัวธรรมดาไงครับเวลาไปสภาใช่ไหมครับ<ม>ก็จะมีคนสวั ด, ดีมีคนไหว้ตลอดทางเลยครับพระอาจารย์แต่มีวั น, นผมลืมบัตรไปครับพระอาจารย์<ม>คนไหว้นี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยครับคือคนที่เขารู้จักเราก็สดดวัสดีเราคนที่เขาไม่รู้จักเราก็ไม่ไหว้เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้เขาไหว้บัตรเขาไม่ได้ไหว้เรานั่นแหละใช่ เขาไหวยศขาไหวตำแหน่งเราแต่เขาไม่ได้ไหวตัวเราหรอกขบผมก็ได้ข้อคิดกับอาจารย์รือฤาบัตไปวันหนึ่งอืมอาจารย์ครับขอการถามคําถามอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเข้ามาถามครับอาจารย์ครับเชิญครับถามท่านพระอาจารย์สุชาติครับทหารที่ได้รับคําสั่งให้รบกับกัมพูชาไม่ว่าจะอยู่แนวหน้าหรือขับเครื่องบินทิ้งระเบิดจะยึดหลักปฏิบัติหน้าที่และหลักศาสนา เรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเมตตาอย่างไรดีครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปให้อย่าไปฆ่าเขาทําให้เขาเจ็บทําให้เขายไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติทําร้ายเราได้เช่นขโมยเข้าบ้านเราเนี้ยอาจจะยิงสกัดเขาไว้ไม่ไม่ยิงให้เขาตายได้อาจจะยิงขายิงแขนอะไรไปให้เขาเจ็บเพื่อ เขาเจ็บแล้วเขาจะได้กลัวเขาจะได้ถอยหนีกลับไปถ้าทําได้แต่สมัยนี้การทําสงคราม ม, ามันไม่ได้คิดอย่างนั้นกันนะเขาคิดว่าต้องฆ่าอย่างเดียวมันถึงจะได้จะได้หยุดอย่างแน่แ น, แน่นอนอันนี้ถ้าฆ่าก็ผิดศีลได้ความเมตตาแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าเราเพียงแต่คอยเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันเราด้วยการทําให้เขา ไม่สามารถนุบลานเราได้แต่ไม่ถึงกับทำร้ายชีวิตเขาอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีความเมตตากับเขาอย่ในความเป็นจริงจะทําทได้หรือไม่นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นถ้าถ้างูเข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าคนมีความเมตตาก็จะจับมันปล่อยแล้วก็ไปปล่อยข้างนอกไปปล่อยในป่าที่วัดนี่เวลามีกุฏิมีงูเข้ากุติก็ช่วยกันจับแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกวาดกันไม่ข้าม อย่างนี้เรียกว่ามีความเมตตาข้อที่สองครับคำเมนต้องการส่งทหารที่ได้รับบาดเจ็บการสู้รบเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลของไทยผู้บริหารโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลควรต้องพิจารณาอย่างไรในเรื่องของความเหมาะสมและเ พ, เพียงพอและมนุษยธรรมครับตอนนี้มันก็มันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองในแง่มุมไห น, น ถ้าเรามองแบบ ง, ง่ายๆมากเขาก็เป็นมนุษย์เขาเจ็บคไายแลกป่วยเรามีหน้าที่รักษามนุษย์เราก็รักษาตันไปแต่ถ้าเรามองแง่ายๆว่าเขาเป็นคนที่พออยายามจะฆ่าเราแล้วพอเขาฆ่าเราไม่ได้เขาเจ็บเขาก็มาขอร้องให้เราช่วยเขาอันนี้ถ้าเราช่วยเขาได้มันก็ถือว่าเราก็เป็นผู้ประเสริฐพูดง่ายๆแล้วก็ต้องเป็นพระอริยะฉะนั้นจะทําได้แต่ถ้าเป็นบุตุชนธรรมดาก็คงคิดว่าจะ ทำได้ยากเพราะในเมื่อเขาจะพยายามฆ่าเราแล้วแล้วพอเขาเพี่ยงพร้อมฆ่าเราไม่ได้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาไม่มีที่รักษาเขามาขอร้องให้เราพาไปรักษาพยาบาลเนี่ยถ้าเราพาเข้าไปก็แสดงว่าเราเป็นคนที่มีความเมตตาสูงแต่ถ้าเราไม่ไม่พาก็เราก็เพียงแต่ไม่มีความเมตตาเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ได้โหดร้ายทำอย่างนีเลยเราขาดความเมตตา ไม่ได้ผิดสีใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ผิดศีเราก็ใช้อุบเบกขาแทนกลับไครกลับมันไปใช่ไหมไหวเข้าไปคนที่ตายไปแล้วปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครับอยากรู้จริงๆเพราะฟังดูแล้วทุกคําสอนให้ตัดกิเลสจากร่างกายครับอาจารย์ออจะปฏิบัติธรรมทำทำทานรักษาศีลภาวนาได้ต้องใช้ร่างกายในขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องเป็นมนุษย์ด้วย ถ้าเป็นสัตว์ในราชานก็ไม่สามารถจะทำบุญปฏิบัติธรรมได้เวลาตายไปลาว น, า น, นี่ดวงวิญญาณมันจะเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ทำกันไว้มีพบเดียวเท่านั้นที่ที่สามารถปฏิบัติสร้างบุญสร้างบาปก็คือภพของมนุษย์นี่อนอกนั้นภพอื่นเป็นภพที่ไปรับผลบุญผลบาปกันเทวดาก็เป็นที่รับผลบุญถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นที่ไปรับผลบาป วิธีทําวิปัสนาให้เกิดปัญญาต้องทําอย่างไรครับต้องพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นไจรักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงเป็นของชั่วคราวราักยศเสริญรสน์ก็เหมือนกันเป็นของชั่วคราวความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ใช้ก็เลยบางทีก็อยู่กับเรานาน แต่ในี้สุดพอเราตายมันก็หมดจากเราไปอยู่ดีเาะฉะนันทุกอย่างไม่เทีย่ยงเป็นของเชื้อคาวเป็นเขาไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริ ง, งเป็นของเป็นของไม่ใช่เป็นของเราเป็นของโลกนี้เป็นสมบัติของโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้อย่างถาวรถ้ายึดติดก็จะทําให้ใจทุกเพราะเวลาสูญเสียมันจะทําให้เกิดความเศร้าสลดเสียใจขึ้นมา ถ้ไม่ยึดติดก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจมาก็มาไปก็ไปมีคนคอมเมนต์ว่าแต่ก่อนโยมมีคําถามมากมายครับแต่ตอนนี้หมดคําถามแล้วครับทุกอย่างเป็นกรรมของตัวเองรู้ไปก็ไม่ทําให้หมดทุกได้ครับอาจารย์ครับก็เมื่อรู้แล้วก็พยายามทำแต่กรรมดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทุกองทรงสอนให้ละาการกระทาบาป ท, ทั้งปวง ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คำจัดความโลภโกรลงให้หมดสิ้นไปจากใจตัญหาตางๆก็จะหมดไปการเวียนว่ายตายเกิก็หมดไปสิ่งที่ได้ก็คือนิพพานที่เป็นที่เตมที่มีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไปใส่บาทกับรพระภิกษุไม่ได้เอาปัจจัยถวาย ไว้รวมรวมกันไปถวายที่เดียวอย่างนี้ได้ไหมครับได้แล้วแต่เราจะใช้ถวายแบบไหนก็ได้สวดมนต์ทำวัดเช้าแปลครับท่อนที่ว่าอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกหมายถึงอะไรครับเข้ามาถึงร่างกายกับความรู้สึกนึกคิดของเราเนยร่างกายก็เป็นรูปรู ป, ปรขันโซนความรู้สึกนึกคิดก็คือนามขันนั่นแก่เวตนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราคิดว่าความรู้สึกนักคิดเป็นตัวเราของเราความที่มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศนะมันตกแดดออกมันไม่ได้เป็นของใครแล้วมันก็ตกไปตามเหตุตามปัจจัยของมันร่าการเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่ได้เป็นของใครมันก็เกิดแก่เจ็บตายตามเหตุตามปัจจัยของมันความรู้สึกนักคิดที่เราม right. ีอย <Vamos S 1> <élé> ู <for> ่มันก็ มันก็เกิดแก่เจ็บตายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราบางทีก็ไม่สามารถไปครอบคลุมบังคับมันได้ให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราอย่าไปอยากอย่าไปให้มันเป็นไปตามความความอยากของเราเราใจเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้เวทนามีแต่สุขก็เวทนาอย่างเดียวว่ให้มีทุกขก็เวทนา อันนี้มันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจแม่ค้าที่ขายปลาขายเต่าขายปลาไหลาขายกบเพื่อให้คนนําไปปล่อยในแหล่งน้ําต่างๆอย่างนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปครับโดยแม่ค้าเองไม่ไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้บุญแล้วก็ไม่ไม่ได้บาปเพราะว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าเขาแต่ก็ ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทําเพราะว่ามันหาหาประโยชน์สุดบนความทุกข์ยากของผู้นัก็ยังไม่ได้ฆ่าแต่ก็ไปจับเข้ามากักขังไว้กล้าจะเป็นบาบบาปแบบเบาระหโหกโทษแต่มันก็ไม่ควรกระทําคนที่ตายไปแล้วปฏิบัติธรรมได้ไหมเพราะว่าเขาห่วงแม่ที่จับไปแล้วครับ ไม่ได้นะเวลาตายไปนี้เป็นเวลาไปรับผลต่างๆที่เราได้ทําไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อยากจะปฏิบัติทําอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลนี่ต้องทาตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นจากหนุ่มน้อยนะครับลงตาครับแกงหม้อใหญ่ตักรับประทานแล้วตัดไปใส่บาทด้วยได้หรือไม่ครับค็นี้เป็นเรื่องของความเหมาะสมเทนันเองวา คารพ้าไม่ไม่สนใจหรอกว่าจะจะจะตักก่อนตักหลางพอมันอยู่ในถุงมันอยู่ในจานมันก็หิ ว, ว่ากินได้ทั้งนั้นนะแต่สำหรับคนที่มีความเคารพก็จะต้องรู้จักแยกแยะว่าออของอันไหนเราจะให้พระของอันไหนที่เราจะกินเองเราก็แยกกันไว้ก่อนมันจะได้ดูแลมันมันก็ว่าเราให้ความเคารพให้ความสำคัญต่อพระ ข้อที่สองครับคุณยายสวดมนต์ผมนั่งฟังเฉยๆอย่างนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้สวดด้วยใจเราก็อะไรไม่ได้สงบเหมือนกับคุณยายคุณยายสวดไปคุณยายก็มีสติเราฟังเฉยๆเราอาจจะฟังแบบใจรอยก็ได้ฝันถึงคนที่เสียไปแล้วบ่อยๆทุกก่อนวันพระ อย่างนี้เขาห่วงเราหรืออยากสื่อถึงเราใช่ไหมครับไม่แน่แเราอาจจะคิดถึงเขาเองก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างข้อที่หนึ่งครับพระสงค์ฟังข่าวทางใดทางได้บ้างไหมครับนานๆครั้งอะไรแบบนี้ครับเพื่อจะให้รู้ว่าโรคระบาดหรือสงครามเกิดขึ้นอย่างไรครับกนะ็ขึ้นอยู่กับความเคร่งคัดของแต่ละองค์ว่าท่านต้องการเคร่งครัดขนาดไหน ถ้าท่านบอแข็งคัดมากๆท่านไม่รับรู้เลยถ้านสำรวมตาหูจมูกนิ้วกายท่านไปอยู่ในป่านให้เขาคนเดียวไม่มีเครื่องมือสื่อสารเป็นต้นอันนี้คือแบบผู้ที่แข็งคัดเต็มที่ส่วนที่ผู้ไม่แข็งคัดเต็มที่ถ้ายังอยู่ในอยู่ในนอกอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ท่านก็อาจจะติดตามข่าวสารเพื่อให้รู้รู้เหตุการณ์ต่างๆเพื่ออาจจะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่างๆก็ได้ <c oughs> แต่มันก็จะมีผลต่อการปฏิบัติถ้ารับรู้มากมันก็จะทําให้ใจวุ่นวายมากถ้าเรารู้น้อยมันก็จะทําให้ใจวุ่นวายน้อยนั่นก็อยู่ที่เป้าหมายของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติที่ต้องการาระงับความวุ่นวายใจต่างๆก็ไม่เอาเลยดีกว่าไม่รับรู้เลยดีกว่าต้องการความสงบคือบ้านตานี้ไม่มีเลยไหมครับอาจารย์ไม่มีเลยสมัยที่ไปอยู่ในหน้าหมดตัวท่านวิทยุหนังสือพิม์ โทรศัพท์อะไรนี่ห้ามท่านเรียกว่าโทรทัศนเทวทัต<อ>พวกเทวทัต น, นี่ห้ามเข้าวันอาจารย์ไม่รู้ ข, าข่าวข้างนอกเลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยสมัยนั้นใครเป็นใครตายยังไง ร, รู้แต่กิเลสเป็นหรือตายเท่นั้นสู้กิกเลสอย่างเดียวไม่สนใจกับโลกภายนอกอยู่ข้างในอยูในโลกภายในภายใน ใ, นใจของเราคอยเฝ้าดู การเคลื่อนไหวของข้าศึกศัตรูคือกิเลสต่างๆแล้วคอยหาธรรมะคืออาวุธมาคอยกำจัดมันสวดมนต์นั่งสมาธิจะมีเสียงประจุไฟฟ้าเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นอาหารของหูที่ผิดปกติครับไม่ต้องไปร่วมเป็นอะไรหรอกให้รู้วิธีปฏิบัติกับมันก็ให้รู้ว่ามันเป็นตายรักก็พอร่้วมนเป็นอนิจัง อนัตตาถ้าเราไปยุ่งกับมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันไปามันมาเองหรือมันก็ไปเองเราควรทำอย่างไรถ้ามีคนทําความเดือดร้อนเสียหายให้เราเจ้าหน้าที่เมินเฉยไม่สนใจเราควรจับฟ้องร้องเข่าหรือไม่และควรฟ้องร้องเจ้าหน้าที่หรือไม่ครับก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะ มีปัญหากับเขาเราก็ไปฟ้องกันถ้าเราชนะเขาอาจจะโกรธเราเกียดเราจ้องเวรจองกรรมเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ฟ้องเราถือว่าปล่อยใ้มันผ่านไปอะไรเกิดแล้วมันกเกิดไปแล้วคิดว่าเป็นกรรมของเราอะไรก็แล้วแตที่เรามาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เฉยๆไปเรื่องมันก็จะจบไปไม่มีปัญหาตามมาไม่มีเวรมีกรรมกับใคร การใส่บาตรข้าวปลาอาหารให้บุคคลที่ล่วงรับไปแล้วเขาจะได้รับไหมครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็นการนั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลให้แทนการใส่บาตรอย่างนี้ได้ไหมครับเท่าที่เน้นตําราแสดงไว้ก็มีแต่การทำบุญใส่บาตรถอยเข้าของเงินทองต่างๆเป็นวิธีส่งบุญให้กับคนตายไม่ได้แสดงว่าจะได้จากการรักษาศีลนะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตอย่างได ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคําว่ากรรมตัดกรนครับมายถึงยังไงตัดกรรหมายมถึงของของกรรมเจริญของเราใช่ไหมไมันก็อาจจะมีส่วนถ้าเกิดเรากำลังจะเจริญแล้วจะจะจะลถูกถูกถูกถูกระงับไว้นี้ก็อาจจะเป็นกรรมเก่าที่เราทําไว้มันส่งผลมาพอดีมันมันตามมาทันเราตอนเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ถูกเขาระงับไว้ก่อนก็อาจจะต้องสอบ สอบสวนอาจจะมีใครส่งบัตรสนเทศมาก็ได้อันนี้ก็ถือว่ากรรมตัดรอนความความก้าวหน้าของเราก็ได้อย่างนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมอาคือหมายความว่าบุญกำลังส่งผลอยู่แต่อยู่ๆก็เกิดอะไรามาทนไมขอโอกาสครั บ, ออ ร, บรถมอเตอร์ไซค์ขับมาชนแล้วหนี แต่ช่วงนั้นยุ่งไม่ว่างเคลมตอนนี้จะเคลมแต่ลืมไปแล้วว่าชนวันไหนถามว่าตอนนี้จะเคลมจะตอบกับประกันไปมั่วๆได้ไหมครับเพราะการเกมของเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นการเคลมไม่มีคู่กรณีที่เราต้องเสียค่าปรับเพิ่มรายปีเพราะคนที่เข้ามาชนทําให้เราเดือดร้อนหนีไปแล้วครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะมีสัจจะนะไม่มีสัจจะถ้าเรามีสัจจะเราจำไม่ได้ก็หัวเข้าจำไม่ได้ไปก็แกั เราก็รักษาสัจจะไว้การรักษาสัจจะนี้รักษาศีลนี้มันมีคุณค่ามากกว่ารักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติเราเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้แต่สัจจะศีลธรรมนี้เร า, เาติดตัวไปกับใจเราได้ต่อไปคนที่เขาตายแล้วไปไหนครับสามีภรรยาที่ตายจากการชาติหน้าจะมีโอกาสได้มาอยู่ด้วยกันอีกไหมครับ ไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่จะกาหนไดไายวันจะเจอหรือไม่เจอถูกแต่เหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยให้เจอกันมันก็จะเจอกันถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็จะไม่เจอกันส่วนจะไปไหนก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่บาปสามีอาจะไปนรกก็ได้ภรรยาจะไปสวรรค์ก็ได้ <c oughs> ถ้าสามีประพฤติผิดในการแต่ภรรยาซื่อสัตย์สุดจริตภรรยาก็ไปสวรรค์สามีก็ไปนรก พอได้คำนักนิดหน่อยครับวันพระไปวัดใส่บาตรทำวัดเช้ากับไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านอย่างนี้ <c oughs> ขอไปเชิญตอวันพระนะครับไปวัดใส่บาตรทำบุญทาวัดเช้าที่วัดกับเทียบกับไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านอย่างนี้ได้บุญเหมือนกันไหมครับ การไหว้พระไหวที่ไหนก็ได้บุญเท่ากันะแต่ถ้าไม่ได้ใส่บาตรอยู่ที่บ้านไม่ได้ใส่บาตรหรือท่านอยู่ที่บ้านใส่บาตรด้วยก็ได้บุญเท่ากันถ้าทําเหมือนกันมันได้อยู่ที่สถานที่ทําที่วัดก็ได้ทําที่บ้านก็ได้ถ้ามีพระผ่านมาเราก็ใส่บาตรไปแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ไปก็เหมือนกับไปทําที่วัด หลวงตามหาบัวเคยตําหนิวงการสงฆ์บางส่วนเป็นลักษณะการพูดโดยวรวมหลวงตามหาบัวจะบาปไหมครับแล้วถ้าคนทั่วไปพูดตําหนิวงการสงฆ์เหมือนหลวงตาคนทั่วไปจะบาปไหมครับคือพระผู้ใหญ่พูดว่าเก่าวตักเตือนมากกว่าการตําหนินี้เป็นการชี้ชี้ชี้บอกให้รู้ว่ากาลังทำอะไรผิดอยู่คนที่จะแก้ไขาดัดแปลงแม้แต่พระพุทจาจ้าก็ต้องสอนต้องตําหนิพระอยู่ด้วย เวลาทำผิดอะไรท่านก็สาอนว่าเธอเธอกําลังทําผิดนะอันนี้ไม่ใช่เป็นงานกระ ท, ทําที่ที่พึงกระทาถ้าไม่มีใครก็คอยว่ากล่าวตักเตือนกันแล้วใครจะมารักษาความบริสุทธิ์ความสะอาดาของวัฒนารรมถ้าต่างคนต่างเกงใจกันแล้วก็ทํำบาปเขาก็ทํำบาปแล้วก็ไม่กล้าวไปว่าเขาเขาก็ไม่กล้ามาว่าเราต่างฝ่ายต่างสมนบ์บาปของตนที่ทําไหมมันก็ทําให้ศาสนารเละเทะไป เพราะไม่มีใครกล้ากันต้องมีคนอย่างที่ไม่บอยสุดไม่มีกิเลส น, นะที่ที่ <c oughs> ทกล้าพูดเพราะท่านไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะท่านท่านจะต้องกังวลท่านไม่มีราบยึดจั ก, กรวาลอะไรท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ต้องการท่านก็พูดไปตามเหตุตามปัจจัยตามควตามหลักของความเป็นจริงไม่ค่อยได้ใส่บาตรหรือนําอาหารไปถวายพระที่วัดครับ แต่ดูแลและทําอาหารให้แม่ฐานทุกวันจะอุทิศบุญนี้ให้กับผู้อื่นได้ไหมครับได้ได้เพราะแม่ก็เป็นผ้าอาหารอยู่ลูกๆการเลี้ยงดูผ้าแม่ก็เหมือนการเลี้ยงดูผ้าอาหารต่อมากับการใส่บาให้กับพระสงฆ์เวลาที่บริกรรมไปช่วงหนึ่งเหมือนคําบริกรรมหายจิตมันก็ความหาคําบริกรรมหรือจะปล่อยดีครับ ก็อยู่ที่ว่ามันหายแล้วจิตสงบหรือเปล่าถ้าจิตสงบไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องไปควานหาเพราะการบริกรรมนี้เป็นการทําให้จิตนิง่งให้จิตสงบเพราะจิตนิง่งจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมก็ได้ถ้ามันหายไปแต่ถ้ายังจิตยังไม่สงบยังคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้อยู่ก็ต้องบริกรรมขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไปควานหามันอยู่ที่ใจเรานึกขึ้นมาได้เองคบริกรรมนี้มันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปควานหาเพียงแต่เรานึกขึ้นมามันก็มาแล้ว ถ้าเราเลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขป่วยเราไม่ได้พาเขาไปหาหมอแล้วเขาก็ป่วยตายเราบาปไหมครับเพราะรักษาค่ารักษาแพงมากครับเราก็ขาดความเมตตาเราก็ไม่บาปพระมาบินทบาตเป็นพระบวทใหม่นะครับสวดมนต์ผิดทุกเช้าควรจะบอกท่านหรือจะวางเฉยดีครับ ก็โดยฐานะของขา่าวเราเราก็มกักจะเคารพพระเราถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราเ อ, อ่ก็ถ้าท่านไม่ได้ถามว่าอาตมาส่วนผิดส่วนถูกก็ปล่อยให้มันเลยไปไม่ใช่เรื่องของเรามีหนูเข้ามากัดสิ่งของเสียหายครับอย่างนี้ถ้าวางยาหนูบาปไหมครับถ้ามันตายก็บาปแต่ถ้าใช้กลงดัดแล้วเอาไปปล่อยก็ไม่บาป หลวงตาท่านมีระบบแบบสอบไฟนอลไหมครับแบบเรียกมาสอบถามผลภาวนาถามธรรมะแต่ละขั้นแล้วให้ตอบเท่าที่อ่านประวัติพระอาจารย์เหมือนหลวงตาให้ปฏิบัติแบบสันทิฏฐิโกแบบที่พออาจารย์ว่าไว้คือรู้เองเห็นเองครับบอท่านสอนเราทุกครั้งที่เจอหน้ากันท่านท่านคอยสอนเราคอยดูเราคอยให้ข้อสอบเราอยู่ในื่ๆในขณะที่พบปะกับท่านทุกครั้ง ท่านก็จะดูกิริยาการของเราและทบางทีท่าน<ม><ม>ก็นจะพูดอะไแล้วก็ดูว่าเราจะตอบอย่างไรเราจะทำอย่งไรอันนี้เป็นการเป็นการดูเราตลอดเวลาสาวเราอยู่ตลอดเวลาควรจะวางใจอย่างไรกับสถานการณ์สู้รบที่ชายแดนครับทุกวันนี้ตอนนี้ ต, น, น, ตนเองพยายามทําหน้าที่อย่างตัวเองให้ดีและทําบุญถึงผู้ที่ส่วนเสียแต่ว่ามีความเครียดทางจิตใจเป็นห่วงบ้านเมืองครับ เป็นเรื่องธรรมดาของโราที่จะต้องมีการฆ่าฟันกันเพราะโลกนี้คือโลกของของกิเลสโลกของความโลภความโกรธความโง่ที่ต้องมีการแก่งแย่งชิงดีในทรัพยากรต่างๆเดียเป็นเรื่องธรรมดามีมาตั้งแต่ยุคตุกตมันตั้งแต่สมัยเอพวกที่ไม่มีอาวุธมีแต่มีแต่หอกมีแต่อะไรเขาฆ่าฟันกันทำไมกรุงศรีเขาก็ใช้มีดใช้ดาบอะไรกันไปแล้วแต่ แต่มันมีอู่ทุกยทุกสมัยอนาคตต่อมาคนที่จะตามมาเทนังมันก็แบบเดียวกันมันก็มาแข่งแยกชิงดีกันอยู่ดีถ่าฟันกันอยู่ดีอาจจะใช้วิอาวุธที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความสามารถของเทคโนโลยีของตนโอนเงินให้เพื่อนเพื่อให้เอาเงินไปทำบุญตักบาตรคนโอนได้บุญไหมครับ เราไม่เงินของเราแล้วเรา เ, รเป็นคนได้บุญเพื่อนไม่ได้บุญจากการโอดเงินของเราเพื่อนได้บุญจากการที่ช่วยไปเอาเงินนี้ไปทําบุญให้กับเราแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้บุญจากการให้ทางของเราเขาได้บุญจากการรับใช้เราคนละบุญกันคนละชนิดกัน ถ้าอย่างนั้นคนรวยมีฐานะมีเงินทําบุญมากในชาติต่อไปก็ได้เกิดมาดีกว่าคนจนที่ไม่มีทรัพย์จะทําบุญในชาติปัจจุบันไหมครับก็มีส่วนถ้าไม่มีเงินมันก็เหมือนกราไม่มีเงินไปฝากในธนาคารเนี่ยพอถึงเวลาจะเบิกธนาคารก็เขาก็ไม่มีเงินให้เราเบิกก็อยู่ที่เราเราเอาเงินไปฝากในธนาคารมากน้อยเพียงไรฝากมากก็เบิกได้มากฝากน้อยก็เบิกได้น้อยอันนี้เป็น หมายถึงพบหน้าชาติาที่ไปเกิด น, นะแต่เรื่องของบุญที่จะพาเราไปสวรรค์นี่คนมีเงินน้อยกับคนมีเงินมากอาจจะได้ไปสวรรค์ชั้นเดียวกันก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่การให้ไม่ได้รับจํานวนเงินเพียงอย่างเดียวเขานับสัดส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปเป็นร้อยละเท่าไหร่ถ้าร้อยละสิบเท่ากันแต่ตัวเงินอาจจะไม่เท่ากันก็ไปสวรรค์ชั้นเดียวกัน แต่เวลาไปไปเกิดไปรับเงินที่เราฝากไว้ธนาคารก็ไม่เท่ากันอันนี้จะไม่เท่ากันเวลาที่ใส่บาทพระนั่งคุกเข่ารับพรจะเป็นการอาบัติต่อพระสงฆ์หรือไม่ครับคืขอข้อนี้มันก็ถกเถียงกันมาตลอดะแต่เรายึดธรรมเนียมแบบของของยุคปัจจุบันก็มันยุคปัจจุบันคนไทยเราก็นิ่งมที่จะนั่งเวลาพระจะยืนก็จะ ไม่พูดอะไรขเราเรามักจะให้ความเคารพด้วยการนั่งหรือถ้าจําเป็นจะต้องยืนเราก็ยืนด้วยความเคารพเป็นคนน้อมมืองั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องเรื่องเรื่องจิ๊บจอยดอกนี้ให้มันเสียเวลาเลยว่ให้ดูประสิทธิประเด็นสำคัญว่ามีการมีการแสดงความเคารพหรือไ ม, ไม่จะดีกว่าถ้าเรามีความเคารพอ่อนน้อมอยู่ในท่านั่งท่ายืนก็โอเคนะแล้วแต่ความเหมาะสม การแผ่เมตตาจะต้องแผ่ให้ตัวเราก่อนไหมครับอหังสุกิโตโโมีอีกอย่างนี้ยครับอาจารย์ก็ไม่รู้จะแผ่ยังไงให้เมตตาที่มีไว้สำหรับพูดน่า ก, กว่าแต่ใครเขาจะมาว่าแผ่ให้กับตัวเองก็อันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าความหมายความว่าอย่างไรตอนนี้เครียดมากครับกับปัญหาชายแดนจะต้องทําใจอย่างไรครับ ก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องปกติของโลกโลกมีการแข่งแย่งชิงดีแม้กระทั่งคนในบ้านในเมืองเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ยังแข่งแย่งชิงดีกันเลยคนอยู่ติดกันก็ยังทะเลาะกันได้้นับภาษาต่างคนต่างต่างถิ่นต่า ง, ต, า ง, ต, างต่างภาษามันก็มีการมีเรื่องการทะเลาะบอกแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนี่เป็นเป็นเรื่องของของใจของสันโลกที่ยังมีความโลกโคตรหลงอ น้องถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยมีมาตแต่สมัยเด็กําปันนจะมีต่อไปในอนาคตที่จะตามมาพ่อเป็นคนชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ป่าเคยฆ่าสัตว์มานับไม่ถ้วนบาปกรรมจะส่งไปถึงลูกได้ไหมครับไม่ได้หรอกบาปใคยบาปมันใครทำใครได้ถ้าเอาปัจจัยไปใส่บาศ อย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกเพีงเยงแต่ว่าอาจจะผิดกฎของพระแล้วแต่พระว่าท่านอยู่ในสายไหนสายที่รับรับก็ได้ก็ไม่บาปแต่ที่รับไม่ได้ก็ก็ถือว่าเป็นอาบัติก็เป็นบาปแต่คนให้ไม่บาปคนให้ได้บุญยิ่งถ้าไม่แน่ใจก็ถามท่านก่อนว่าสา ย, สายถวายเงินได้ไหมให้ถวายอย่างไรท่านก็จะได้บอกได้ว่าอ่ต้องให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่เดินมาด้วย ก็ฝากไว้ก่อนลูกเสร็จไปแต่ถ้าท่านบอกใส่บายเข้ามาอะไรก็ได้ใส ก, ก, ก, ก็ทำตามที่ท่านบอกก็แล้วกันคิดมาตลอดว่าฝันตอนกลางคืนคือทานเยอะไร้สาระแต่คืนหนึ่งฝันว่ามีลูกสุนักมาที่บ้านวันถัดมาถึงบ้านตอนเย็นมีมาจริงเหมือนทั้งขนาดหน้าตาเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้ไหรือครับอ้าก็มันเกิดขึ้นกับคนล้าไม่ใช่เลย เไปขึ้นน้ามันก็เป็นไปได้มีญาติผู้ใหญ่ที่เคารพปรึกชีพตัวเองจะมีวิธีทําบุญที่อุทิศให้แบบไหนที่ส่งถึงท่านได้มากที่สุดครับคนส่วนใหญ่ที่ฆ่าตัวตายนี้ต้องจะไปอยู่นรกมันก็มากกว่าไม่สามารถออกมารับบุญได้จนกว่าจะพ้นจากนรกขึ้นมาอาจจะมาเรารับบุญต่อไปได้ ถือศีลแปดหลังเที่ยงคืนดด่นน้ำหวานให้ อ, อูบูบอยได้ไหมครับจะเด่นเวลาไหนก็ได้ถ้าเป็นน้ำหวานเป็นน้ำตาลเนี่เป็นข้ออนุญาตอันนี้คอมเมนต์ครับบอกว่าท่านอาจารย์เทพศีทานศีลภาวนาแต่ทำไมฟังแล้วซาบซึ้งใจยิ่งนักไม่ไม่พลาดสักตอนเลยนะครับเท่าที่จำได้ครับ นำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้ผู้ยากไร้ทุกเดือนอย่างนี้ดีไหมครับดีก็เป็นการทำทานเนี่ยทำบุญทำทานเหมือนกันมันก็ไปแจกพระไปถวายพระก็เหมือนกันพระก็เป็นคนคนยากคนไร้ที่ไม่ได้เป็นพระก็เป็นคนเหมือนกันได้บุญเท่ากันเคยเห็นหลวงปู่ลีตอนหลวงตามรณภาพ ท่านนิ่งสงบมากเปลี่ยมด้วยความเมตตาต่อพระเนรแสดงว่าพระที่ท่านบรรลุแล้วท่านเฉยๆต่ อ, อการเจ็บการตายใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านบอว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นตกใจเสียใจได้อย่างใดเป็นเหตุการณ์ธรรมดากายเจ็บตายเป็นธรรมดาการทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ไม่ทําได้ไหมครับคือสร้างบ้านเสร็จก็เข้าไปอยู่เลยได้ไหมครับ ได้เขาทำาทั่วโลกไม่เห็นก็ต้องทไเหมือนกับเราที่ไหนเขาสร้างกันเสร็จก็เข้าไปอยู่ได้แต่บางคนที่ยังเชื่อเรื่องเชื่อเชื่อเรื่องเรื่องพิธิกรรมเหล่านี้เขาต้องทำพิธิกรรมไปตามความเชื่อของเขาวิบากกรรมของการปล่อยข่าวเฟกนิวส์ในโซเชียลจะได้ับผลอย่างไรไหมครับก็เป็นการพูดปลดนะการพูดปดก็เป็นการทำบา กคื อ, อว่าทำบาปด้วยเหตุผลอะไรทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปเ็นรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความมอาคาิพยาบาิก็ไ ป, ปนรกทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรลชาญคนที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาหมดอายุไขแล้วหรือเปล่าครับก็มันก็หมดลงมากกว่าไม่ได้หมดอายุไขัยหรอกพะไม่มีองมันก็ตาย การ น, นํำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกผู้ยากไร้นะครับกลับไปทําบุญที่วัดกับพระใส่บาต ท, ทุกวันอย่างนี้ได้บุญแ ต, ตกต่างกันอย่างไรครับคือบุญธราเราทำบุญนี่มันจะมีสองส่วนนะบุญที่เกิดจากการให้ของผู้ให้นี่มันเท่ากันไม่ว่าจะให้ใครให้พระให้โยมก็จะได้บุญเท่ากันคือความสุขใจเห็นใจแต่บุญที่จะได้รับจากผู้รับนี่ไม่เหมือนกันถ้าเราไปทําบุญกับคนผู้ยากไร้เขาก็ไม่เขาก็ไม่มี ธรรมะให้กับเราก็อาจจะมีเรื่องบุนให้เราฟังว่าโอ้ยยังขาดนี่นขาดนี่อยู่อาจจะขอเพิ่มเติมสิไม่พอแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระพระท่านก็นจะมีธรรมะสอนเราอันนี้ไม่ไ ม, ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ที่เราไปทำบุญว่าเขามีอะไรจะตอบแทนเราอาจารย์ครับเพื่อนผมที่ตอนต้นพรรษาบวชแล้วว่าจะศึกจะศึกแล้วขอ ความเมตตาพระอาจารย์ให้ปัญญานะครับตอนนี้ยังยังบวชอยู่นะครับพระอาจารย์ครับแล้วจะเสร็จหมตอนนี้ยังไม่เสร็จครับอาจารย์อยู่ได้แล้วครับอ๋อก็อยู่ต่อไปสิการบวชนี่เป็นการกระทําที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเราเองที่ว่าเป็นของขัดของขวัญอันเลิศอันประเสริฐที่ไม่มีใครสามารถมอบให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองอันนี้จะเรียกว่าแผ่เมตตาให้กับเราก็ได้คือการทําความดีเนี่ยอันนี้เป็นการแผ่เมตตาให้กับตัวเรา เพราะเราจะเป็นผูน้ได้รับประโยชน์1้อยเปอร์เซ็นลยไม่มีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแลวเป็นประโยชน์ที่ดีเพราะ ม, มีประโยชน์ต้องหลายขั้นขั้นสวรรค์ขั้นนิพพานนะแต่ว่าเราจะสามารถปฏิบัติได้สูงขนาดไหนถือศีลแปดสามารถที่จะเปิดมือถือเพื่อค้นหาธรรมะฟังได้ไหมครับได้ถ้าใช้ถต้อง เรืการฟังธรรมนี่ใช้ได้อยู่แต่ถ้าอยาไปใช้นึกของทางโลกไม่ควรถ้าส่งเสื้อผ้าข้าวของให้ทหารในช่วงสงครามแบบนี้จะติดกรรมไปด้วยไหมครับหรือว่าดูที่เจตนาครับก็มันก็เป็นบุญน่ะมันก็จะติดเป็นนิสัยไปการอุทิศบุญจําเป็นจะต้องกรวดน้ําลงดินหรือไม่ครับหรือใช้ใจอุทิศได้ไหมครับ น่าใช้ใจอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้น้าก็ได้อยากบวชครับแต่ไม่ได้บวชถือว่ากรรมยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับยิตติเลระยังเยอะอยู่จากเหตุการณ์ที่ชายแดนทำให้นอนหลับไม่สนิทเพราะกลัวสงครามรุนแรงมีความวิตกกังวลต้องติดตามข่าวอยู่ตลอดจนบางทีรู้สึกว่าอยากตายก่อนเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้น อย่างนี้ควรจะปรับใจิตใจตนเองอย่างไรครับหยุดคิดถึงมัน น, นั่งสมาธิไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปส่วนมนไปอย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่ า, า, านี้พอเราไม่คิดถึงมันเดี๋ย ว, วความโกูต่างๆมันก็จะหายไปประสงค์ที่ศึกษาปริญญาเอกหลายๆใบยอย่างนี้มีความผิดทางวินัยไหมครับเปเป็นการผิดเป้าหมายมากกว่า การบวชนี้เพื่อเพื่อเรียนบริญญาทางศาสนาอย่างเดียวก็คือรับผลนิพพานมันรู้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆในการไปเรียนวิชาอื่นทางโลกนี้มันไม่ได้เป็นเป็นเป้าหมายของการบวชที่แท้จริงถ้าเราไปอ่านคําก่าวคาบวชดูสิว่าเอสาห่างพันเตสุจิราชปาริณิพุตตามเปตตังพระกรันตังบวชเพื่อเพื่อรับผลนิพพานบวชเพื่อชาระกิเลสไม่ใช่บวชมาเพื่อมา มาเรียนดูกิเลนี่ยถ้ามาเรียนวิชาทางโลกเดี๋ยวพอมีวิชาแล้วก็อาจจะลาศิกขาไปไรทำอกินต่อพอมีวิชาทางโลกนะพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพียรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตัวท่านเองจะทราบไหมครับว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ครับไม่ทราบหรอกท่านก็เป็นแต่พยายามที่จะบำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามบำเพ็ญ วิธีการต่างๆเพื่อให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์จนจนท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะรู้ว่าอ๋อเนี่เราเป็นโพธิสัตว์นะเราโดยข้างลเราได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ตอนที่บำเพ็ญ น, นั้นก็ไม่รู้ว่าบำเพ็ญเพื่ออะไรเพียงแต่รู้ว่าทําอย่างนี้แล้วมันทําให้ใจสบายไม่ทุกข์ก็เลยทําไปทําทาน้วให้สบายใจก็ทําไปรักษาสี่งแล้วไม่ใจไม่ทุกข์ก็ทําไป ก็รู้เพีงเท่านี้ทำเพื่อระางน้ความทุกข์ต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจนอนสวดมนต์บาปไหมครับคือการสวดมนต์นี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเราสามารถนั่งได้เราควรจะนั่งจะดีกว่าเพราะมันจะทำให้มีสติดีกว่าจะทำให้เราได้ผลดีกว่าจากการนอนนอนสวดแล้วมันจะทำให้เราขาดสติได้ง่ายทาให้เราหลับ เรยังไม่ได้รับประโยชน์จากการนอนสวดเท่ากับการนั่งสวดถ้าอยากจะได้ประโยชน์ก็ควจะนั่งมากกว่าควจะนอนนอยกเว้นว่าเราไม่สบายไม่สามารถนั่งได้ต้องนอนสวดก็อันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งคุณพ่อเสียครบหนึ่งปีครับลูกจะทำบุญให้ท่านทำบุญทำทานแบบไหนดีครับที่จะส่งบุญให้ท่านครับก็ได้ทั้งนันจะทาบุญบริจาคเงินให้โรงพยาบาลก็ได้ ส่งมันไปให้กับผู้ที่อยู่ชายแดนก็ได้ให้ตำรวจโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนยารักษาโรคเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ได้หรือบมิมจะให้กับวัดก็ได้สามารถทําได้ได้บุญเหมือนกันตอนนี้พาพ่อหนีสงครามจากขุนหารมาครับมาอยู่ที่สมุทรปราการได้หนึ่งอาทิตย์พ่อไม่เคยอยู่ที่อื่นเริ่มเครียดเราจะต้องบอกยังไง ว่าพ่อยังกลับไม่ได้พ่อคิดตลอดเวลาว่าขมิ้นไม่เก่งเหมือนพาพ่อมาขังพ่อก็เครียดเขาเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเราก็เลยเครียดครับจะต้องคิดยังไงให้มีความสุขครับก็ทำตามพ่อทำความต้องการของพ่อเลยถืศีลแปดครับฟังเทศฟังธรรมะทางโซเชียลอย่างนี้ผิดศีลไหมครับฟังเทศได้อยู่ แต่ไปฟังเรื่องทางบันเทิงเรื่อฟังเรื่องทลาบอกแว้งกันน้อยคนฟังถวายปัจจัยพระเพื่อเป็นค่ารถไปพบแพทย์ตามนัดครับพระท่านไม่มีลูกศิษย์รับปัจจัยแทนอย่างนี้บาปไหมครับคนให้ไม่บาปนวแล้วคนรับก็แล้วแต่ว่าท่านอยู่ในสายไหนสายที่รับเงินได้ท่านก็ไม่ผิดสายที่รับเงินไม่ได้ท่านก็ผิด ทำว่าทายากรรมหมายความว่าอย่างไรครับก็เป็นผู้รับมรดกคือผลของกรรมที่เราทํากันทํากรรมอันใดไว้เราก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะั้นเรานี่คือจิตของเราใช่ไหมครับอาจารย์ได้จิตเป็นผู้รับจิตเป็นผู้กระทํากรรมแล้วก็เป็นผู้รับผลของกรรมที่ตัเองได้กระทาไว้เราเรียกาเป็นทายาท ถ้าโยมไปถือศีลอุโบสถแล้ววัดที่โยมไปถือศีลเจ้าอาวาสไม่ยอมเดินบินทบาตแล้วโยมทําบุญอย่างนี้โยมได้บุญไหมครับได้เรื่องบินทะบาตรไม่บินทนบาตกันแล้วแต่ท่านมันไม่เกี่ยวกับเราในมรรคแปดพับสัมมาอาชีวะอาชีพชอบความหมายนี้ในแง่ของพระสงฆ์หมายถึงอะไรครับหมายถึงเรื่องชีพที่ ที่ชอบของพระคือการเป็นธารมเนื่งชีพเป็นมาชีพที่เหมาะสมกับพระหากเราไปเที่ยวชมวัดและอุทิศบุญให้เทพเทวดาที่นั่นผิดไหมครับมันไม่รู้มันได้บุญหรือเปล่าจากการไปเที่ยวนน <c oughs> การจะอุทิศบุญต้องทำบุญทำทานบริจาคเงินเข้าของเงินทอง แล้วมันจะกลายความอิ่มใจสุขใจแล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขใจอิ่มใจนี้ไปให้กับผู้โลกรับไปแล้วได้ขอโอกาสครับขนาดนั่งฟังพระเทศที่วัดอยู่ๆสะดุ้งเพราะ ร, รู้สึกเหมือนใบไม้หล่นใส่แขนแต่กลับมองเห็นเป็นแค่เส้นผมอยากทราบว่าเป็นสภาวะแบบใดครับเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังมนนตาให้ไปเจนาว่าเป็นตายรับไป เหตุปัจจัยที่ทำให้คนสองคนมาเจอกันคือกรรมใช่ไหมครับมันก็มีหลายอย่างด้วยกันเราจะกรรมก็มีส่วนก็ได้มันก็มีอย่างอืงอ่นด้วยถ้าสามีนอกใจแล้วเราขอเลิกเขาไม่เลิกแต่เราก็เริ่มต้นชอบคนอื่นไปแล้วเราจะบาปไหมครับตั้งแต่ที่สามีนอกใจก็ตั้งใจจะเลิกกับเขาแต่ใจ จากเขาแล้วคิดจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ครับอันนี้เลยทางโลกเราไม่การตัดสินนะทางที่ดีก็ให้มันเลิกขาดแคลนไปก่อนหรืออย่างนั้นก็คุยกันให้รเรื่องคุณไม่อยากกับเราต่อไปนี้เราก็ขออนุญาตไปมีคนใหม่ได้นะต้องทําความเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันแล้ว เ, เดี๋ยวอาจจะฆ่าฟันกันได้ก็าอาจจะโกรธเราก็ได้เพราะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะทาได้แต่เราทําไม่ได้ ก็มีงัเพื่อความปลอดภัยก็คุยกันนะคุยกันเจราจากันให้มันเข้าใจกันว่าทำได้หรือไม่ได้ยายเคยขับรถประสบอุบัติเหตุมีคนที่ไปด้วยเสียชีวิตยายไม่ได้ตั้งใจครับอย่างนี้ยายเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรับยายไม่มีเจตนาะเข้ามาท้ายรถเอกไป เวลาเราทำสมาธิเราจะทราบได้เมื่อไหร่และอย่างไรว่าเราควรจะเปลี่ยนไปทำวิปัสสนาแล้วครับ เ, ออเราต้องทำใจให้สงบให้มีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปทำวิปัสสนาตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลานั่งสมาธิตานนอกหลับตาในาน่าจะมองเห็นอะไรครับ ตาในก็มันก็สามารถเห็นอะไรได้แล้วแต่แล้วแต่ว่ามันจะมาให้เห็นเห็นตาในกับตาตานอกนี่ยมันคนละตากันตาหน้าเป็นเห็นแต่พวกที่เป็นแสงเป็นสีเป็นอะไรแต่ตาในนี้มันอาจจะเห็นกิเลจของตนก็ได้เห็นนารมเห็นสว่า์ก็ได้แล้วแต่ความสามารถของการปฏิบัติของเราว่าเราไปถึงขั้นไหน ไม่อยากจะพบกับสามีอีกแล้วในชาติหน้าครับจะต้องทำอย่างไรครับก็ยังมาเกิดนะเดินจงกรมกับนั่งสมาธิได้อ น, นิสง์เท่ากันไหมครับส่วนใหญ่จะไ ด, ได้ได้สมาธิจะได้อนิสงฆ์มากกว่าเพราะจิตจะสงบกิจะรวมได้เดินจกรมนี้มักจะไม่จิตจะไม่ถึงกับขั้นรวมได้แก็ทำให้จิตนี้ สงบใกล้กลับ ใ, ใ, ใกล้ที่จะรวมได้แต่ยังไม่รวมเน้นท่านั่งสมาธิจิตจะสงบ ม, มากกว่าก่อนเดินโงกลมขอรบกวนพระอาจารย์ให้คำสอนหรือข้อคิดแก่ผู้ที่ประสบภัยจากกรณีที่โดนใช้อาวุธเข้ามาทำร้ายคนไทยขณะ น, นี้ครับเรื่อนเว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ทุกคนเราต้องเจ็บด้วยกันนะจะเจ็บแบบไห น, นท่านเองอุบัติเหตุก็มีอยู่ทุกวันไปดูที่ห้องฉุกเฉินของหมอที่โรงพยาบาลเลยมีคนเจ็บก็มามอเตอร์ไซค์คว่ำว้างรถชนกันบ้างยอนหกล้มบ้างศีรษะเดินไปชนกับนู่นชนกับนี่มันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดางั้นอย่าไปกังวลกับมันมากจนเกินไปพยายามใช้สติคือพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวของเราให้มันดีที่สุดก็แล้วกันที่ไหนเป็นเพศเป็นภยัยเราก็อยากไป ที่เป็นอันตรายแล้วก็อย่าเข้าใกล้พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มันเออ่ที่เป็นพิษ เ, เป็นอันตรายกับเรายกไว้ว่าเราไม่มีทางเลือกซึ่ไปอยู่ในที่นี้ก็มายินกันต่อหน้าแเราเราก็ต้องทําใจว่าอาจจะถึงเวลาจะต้องเจ็บหรืออาจจะต้องถึงเวลาต้องตายก็ได้พยายามถ้าถ้าทําใจได้ก็จะไม่ชุกกับเหตุการณ์ต่างๆ อาจารย์ครับตอนนี้มีคนฟังทำอยู่ด้ในการประมาณพันเก้าร้อยกว่าคนเลยนะครับอืมหากเราอยู่ในสภาวะที่หงุดหงิดหรือไม่พอใจเราจะมีวิธีวางใจอย่างไรครับก็ทําใจเฉยๆวิธีทำให้หายหงุดหงิดก็ต้องทําใจให้นิ่งต้องใช้คำบริกรรมและการสวดมนต์เพื่อให้เราลืมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราหงุดหงิด ตอนนั่งสมาธิแล้วฟุ้งครับตอนฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งแบบนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้บุญนะเราไม่ใช่สติก็กลุ้มใจไนมะ่ให้หยุดคิดมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาถ้าเรามีสติกํากับใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอาการฟุง้งมันจะไม่เกิดขึ้นนะไม่ได้ไปวัดเพราะว่าต้องดูแลพ่อที่ติดเตียงอย่างนี้ได้บุญไหมครับการดูแลพ่อแม่ก็ได้บุญนะ สวดมนต์ทุกวันวนละลาหลายๆบทกรวดน้ําแผ่เมตตาถือว่าได้สร้างกุศลไหมครับอย่างนี้ลดพิบากกรรมไหมครับก็ทํากรรมน้อยลงแต่กรรมเก่าที่ทําไว้ไม่ลดกรรมที่เราไปทําไว้นั้นมันก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแต่เราไม่เพิ่มเพิ่มกรรมใหม่ทั้งเองการแต่ทันที่จะเพิ่มกรรมเราก็เพิ่มบุญในการไหว้พระสวดมนต์ จิตสงบระดับไหนถึงจำไปพิจารณากายครับคือจิตที่จะพิจารณากายเพื่อบ่อยวางได้มันต้องอยู่ในขั้นระดับอัปปนาสมาธิวิชาน4ี่จิตจะมิอุเบขาแต่ถ้ายังจิตไม่ถึงอุเบขาที่พิจารณากายยังไงก็ตัดความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันกับมันกับร่างกายไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันยังไม่ยอม กิเลสจะยอมตามเมื่อจิตเข้าสู่ปัญญาสมาธิกิเลสไม่สามารถทํางานได้จัดงานศพแล้วมีผีเสื้อบินมาจับเสื้อผู้ตายครับแสดงว่าผู้ตายมาดูร่างตัวเองหรือเปล่าครับบางครั้งก็เป็นนกมาจับที่หีบศพครับอย่าไปมองอะไรที่มองไม่เห็นดีกว่าถ้าเป็นผีเสื้อก็เป็นผีเสื้อไปเป็นนกก็เป็นนกไปดีกว่าไม่คิดเป็นคนตายคนเป็นได้ยังไง ไม่มีเห็นไม่ผลเนลี่ยเราสวดมนต์ให้เขาเป็นประจำอย่างนี้ขออโหสิกรรมได้ไหมครับเขาได้แต่เขาจะให้หรือไม่ก็อีกเรื่องคุณไม่ตีหัวก็แล้วเราไปขออโหสิกรรมก็ดูเลยขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเลยดังนั้นผมโมโหมากมากผมเลยตีหัวคุณหน่อยขอให้คุณอย่า ก, กดผมให้อภัยผมด้วยเถอดขอได้แต่เขาจะว่าโอเคไม่เป็นไรหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่อง มีเพื่อนบอกว่าแม่เสียใจที่พี่ชายตายต่อมาแม่มีอาการไม่ปกติแลบลิ้นบอกว่าอยากกินเลือดอยากกินตับเราบอกว่าอาจจะเป็นอาการทางจิตแต่พาไปหาหมอรักษาไม่หายแต่พาพระมรดน้ำมนตเอาสายศีลมาวางไว้ที่ใต้หมอนกลับหายเพื่อนเชื่อว่าผีมะสิงเพราะพระบอกอย่างนั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นจิตที่ปรุงแต่งเกิดอุปทานมากกว่าว่าแต่เพื่อนเหมือนไม่พอใจอยากกลับเรียนถามอาจารย์ว่าใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ก็อย่าไปสนใจเลย วพิจารณาว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในวิัยของเราที่จะสามารถที่จะไปรู้ได้ก็ะค่อยรู้ไปตามความเป็นจริงไปก็แล้วกันจะเป็นเพราะเหตุใดก็แล้วแต่ไม่ค่อยจะได้ใส่บาตรครับแต่บริจาคไปที่โรงพยาบาลสงแบบนี้ได้บุญไหมครับได้ก็เหมือนกับใส่บาตรนะ ทำอย่างไรจะเพิ่มความเพียรในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปครับเพราะยอมแพ้กับกิเลสตลอดเช่นอาการง่วงนอนอาการอยากดูข่าวในโซเชียลครับก็ต้องเพิ่มวันตา ก, การของการปฏิบัติให้เชื่อมคนขึ้นถือศีลให้มากขึ้นเช่นถ้าถือศีลห้าก็เพิ่มมันศีลแปอย่างนี้มันก็จะทําให้เราต้องมีความเพียรที่พยายามที่จะปฏิบัติตามตามศีลที่เราได้ตั้งวัดตั้งไว้ ถ้าเราปฏิบัติแบบธรรมดาธรรมดามันก็จะไ ม, ไม่ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ต้องมีมาตรการที่จะบังคับให้เราต้องให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเช่นการรักษาศีลให้ให้มากขึ้นบังคับให้เดินจงกมือสมาธิให้หนานขึ้นเป็นต้นการใส่บาตรอาหารพระในตอนเช้าหากเราซื้ออาหารเก็บไว้ตอนเย็นแล้วนําไปอุ่นตอนเช้าเพื่อจะใส่บาตรอย่างนี้ได้ไหมครับ แต่มันไม่บูดมันยังกินได้อยู่ก็ไม่เป็นก็ก็ใส่ได้อย่าใส่อาหารบูดเทานั้นเองกินได้เดี๋ยวมันแทนที่จะเป็นบุญมันจะเป็นบาปพาะไปทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยขันติวิริยะอยากมีความรู้ความเข้าใจครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับขันติหมายความอดทนเช่นอดทนต่อความหิวอดทนต่อความร้อน บททนต่อภัยต่างๆที่กาลังเกิดขึ้นคือทำใจเฉยๆ <c oughs> อย่าทุกข์กับมันเรียกว่าคันติวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรที่เราจะปฏิบัติทำได้ทำความดีต่างๆต้องมีวิริยะเราถึงจะทาได้ถ้าเราเค่เกียดเราก็จะไม่ได้ทำสอนหนังสือสามเณรครับสอนแทรกคุณธรรมด้านอื่น ควรไหมครับสามเณรยังเป็นเด็กอยู่ครับก็แล้วแต่เรานะควรไม่ควรในเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ครับพูดปีความพุทธธ ร, รรมว่าในทางพุทธที่แท้จ ร, ริงไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีชัดหน้าทำดีไม่ได้ดีเสมอไปทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วเสมอไปความยุติธรรมไม่มีอยู่จรงิง พระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรครับคือการไม่กลับมาเกิดนี้ก็มีของจริงเป็นจริงใครไปถึงนิพพานก็ไม่มีการกลับมาเกิดแย่างไรยังไม่ไปถึงนิพพานก็ยังมีการกลับมาเกิดส่วนการทําดีแล้วได้รับผลดีจากการกระทําหรือไม่ด้วยการทำเชื่อแล้วได้รับผลหรือไม่ต้องดูผลที่ใจอย่าไปดูผลที่โลกกระทำถ้าดูผลที่โลกธรรทว่าทําดีแล้วทำไมไม่นําไม่รวยอันนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ ทำชั่วพลาดอาจทํำมาถึงนั่มรวยกันอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องผลของการทําดีหรือทำชั่วผลของการทําดีก็คือจิตใจเรามีความสุขจิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้นนทําชั่วจิตใจเราต่ําลงจิตใจเรามีความทุกข์อันนี้เป็นผลตายตัวแต่เรามองไม่เห็นกันเราไปมองผลที่ทางโลกทางโลกกระทำสีคือคิดว่าทํา ทำบุญทำความดีแล้วเราจะเจริญในราบรยศเสริญสุขแต่กลับไม่เจริญกันเอคอนนึ่งทำชั่วกลับไปเจริญในราบรยศเสริญสุขอันนี้ไม่ได้เกิดจากการทำดีทำชั่วของเขามันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการทำดีทำชั่วของเขาเลยก็ได้เช่นเขาอาจจะรู้จักคนแล้วคนเขามีมีความเมตตา ม, มาช่วยเหลือเขาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของ เรื่องเห็นปัจจายอย่างอื่นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการทาความดีทาความเชื่อเพียงอย่างเดียวทำอย่างไรดีครับพันธยาตั้งแต่เอาเงินก้อนที่เราสะสมไว้ไปหมดแล้วเปลี่ยนกริยาไม่คุยกับเราหาเรื่องด่าสารพัดทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเลยครับอาจารย์แสดงว่าเขาอยากจะเล่นกับเราเเราไม่มีกันให้เขา เขาก็มีความจำเป็นยังต้องดีกับเราแต่ก่อนก่อนที่เรานันก่อนก่อนที่เราให้เหงินเขานี่เขาดีแสนดีพูดหวานจ้อยพอได้เงินไปแล้วก็คพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปอาจารย์ครับความดีคืออะไรครับคือการกระทําที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับผู้หรือกับตนเองเรียกว่าความดี ศีลสมาธิปัญญาตรงนี้มีแค่ผู้รู้มีโทษกับผู้รู้ไม่มีโทษเกลี่ยกันจุดนี้เป็นแต่เพียงผู้ดูควรดำเนินจิตต่อจากนี้อย่างไรครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายมาถามนี้ไมถามอะไรก็ไม่รูต้ต้องเขียนมาใหม่คนที่ทำความชั่วแล้วไม่ทุกมีไหมครับอาจารย์ไม่มีหรอก ความเชื่อมันเป็นเหมือนไฟทำไปแล้วมันก็จะทำให้ใจร้อนขึ้นมาพอาจารย์พอจะมีวิธีเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับไปอยู่วัดเลยไอยู่วัดเลอยู่สภาพักไม่ไม่ได้กินมันก็หายแม่ว่าทํากระบอกนี้คนทีต่ติดยาเสพติด ก, ก็ให้ไปที่วัดท้ า, ากระบอกที่สละบุรีเขาจะมีแมการให้กินยา สมุนภพนต่างให้อาเจียนออกมาให้พิษต่างๆที่มีในร่างกายอาเจียนออกมาหมดมันก็จะหายแต่ต้องยอมต้องยอมแล้วว่ามันจะต้องทุกทรมาในช่วงขนาดที่เราต้องต่อสู้กับความอยาก มีครูบาจารย์เทศสอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ตั้งใจภาวนาปราบที่ยังไม่บรรลุโสดาบันจะไม่ตายอย่างนี้จริงหรอครับไม่จริงล่ะเมื่อความตายนินตายทุกคน่ไม่ว่าจะเป็นโสดาบันหรือเป็นผ้าล่ะไม่เกี่ยวกันเราไม่มีโอกาสไปทําบุญแต่ตั้งจิตน้อมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นที่ได้ทําบุญอย่างนี้เราได้บุญไหมครับ เราไม่ได้บุญจากการให้ทานของเขาเราได้บุญจากการชื่นชมยินดีกับการให้ทานของเขาหลักธรรมคำสอนของพระสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถใช้ได้ชีตประจาวันออกขอนี้อมเมนต์เฉยครับอาจารย์หากเราซื้อผ้าไตรจีวรไปถวายพระอย่างนี้เราจะได้ผลบุญอะไรครับ ก็เป็นการถวายปัจจัยสิ่งของก็ทำให้ใจเรามีความสุขเราก็ได้ไปสวรรค์เวลาที่เราตายไปแล้วกลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะมีมีผ้ารอเราอยู่ทำรายไว้ก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาอย่างภาพบางรูปนี้ท่านมีคนศรัทธาถวาย้ามากภาบางรูปนี้ไม่มีใครถวายเลย อันนี้ก็จะเป็นเพราะ น, นิสสังชาติก่อนท่านทําบุญถวายผ้าไว้มากพอชาตินี้ท่านกลับกลับมาเกิดก็เลยมีคนเอาผ้ามาถวายกับท่านเยอะไม่ทราบเป็นใครนั้นรู้สึกจะมีในในตำรายใช่คุณมอเคได้ยินไหมมีผ้าร่มหนึ่งนี้ครับเป็นผ้านอนหรือเปล่าไม่ทราบเคยได้ยินเหมือนพระสิวลีที่ที่จะมีคนมาทำบุญเยอะๆนะครับอาจารย์แต่ไม่รู้เป็นผ้า อันนั้อนอาจจะเป็นแบบเป็นทัพเป็นงานเป็นทองไช้มากกว่าแต่ก็ทําอะไรไว้มันก็จะกลับมาหาเราก็แล้วกันถามลาหลวงปู่ ป, ปู่เจี๊ยเคยมาเยี่ยมพอาจารย์ที่วัดไหมครับเคอดี่มันมหลวง ป, ปู่ท่านเคยเป็นเจ้าวัดรูปแรกหรือครับท่านเคยมาอยู่ประมาณสักสองสามปแล้วท่านก็ไปท่านมันก่อนที่เรามาอยู่วัดสักสองสามปีได้ขาวว่าท่านเคยมาอยู่ก่อน พอต้ไปแล้วท่านก็ไม่กลับมาเลยครับแล้วหลวงปู่เจ๊ท่านอยู่บนเขาไหมครับอาจารย์เดี๋ยวอยู่ที่นั่นครับไม่อยู่อยู่ข้างล่า ง, า ง, างสมัยนั้นพวกยังสร้างวัดใหม่ๆอยู่ยังไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ท่านทํากระต๊อบเล็กๆไว้อยู่ใกล้ๆกับที่ตั้งของของโบสถ์ในปัจจุบันนี้ตอนนั้นก็มีท่าไมตรีรูปสองสามรูปเท่ัท้นทีเป็ น, เ ป, นเป็นยุคเบิกเบิกบุกเบิดของวัดเนี่ย ยยััังงไมมม่่่ีีีเเเสส้้นนนนนกออราหืบทป็ใวคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคือเขาทําบุญมาจากชาติที่แล้วอย่างนี้ไหมครัอบอาจารย์ว่าอย่างนั้นก็ได้เนื้อเป็ น, ปนชู้ของเขาก็ได้เป็นจังหวะที่เขาจะถูกก็นะมีเหตุเหตุหลายปัจจัยด้วยกันการปฏบิบัติบูชาสามารถอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ หรือไม่ครับ <um> ก ls, <ifa> ็ไม่มีการแสดงมาในตำราตำราให้มีอุทิบุญด้วยการทําอมบิสบูชาเช่นการทําบุญทําทานถวายเจตุปัจจัยทายาทานต่างๆนี้ก็สามารถอุชิศบุญได้แต่การปฏิบัติบูชานี้ไม่มีกล่าวถึงว่าจะสามารถอุชิตบุญนี้ได้หรือไม่ หากเราสาบแช่งคนชั่วที่กงบ้านกองเมืองอย่างนี้ตัวเราจะลงนรกไหมครับไม่ลงเพียงแต่เราก็เป็นคนที่คิดไม่ดีเป็นอกุศลทําให้ใจเราไม่สบายไปเปล่าๆล้วคุณจะปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาดีกว่าแล้วใจเราจะได้สบายเราสาบแช่งเขาว่าแสดงว่าเราโกรธเกลียดเขาความโกรธเกลียดนี้มันก็จะทําให้เป็นไฟเผาใจเราไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร ทะเลาะกับคุณแม่ครับตอนนี้ทะเลาะการใช้คำพูดที่ทําให้แม่เสียใจขอโทษหลายครั้งแต่แม่ไม่คุยด้วยไม่ให้เจอหน้าบังเอิญเจอก็เหมือนคนไม่รู้จักกันมาสามเดือนแล้วควรจะวางใจอย่างไรครับก็ทําใจเฉยๆไปพระอาจารย์ครับตอนวันที่พระอาจารย์รู้ข่าวว่ามีการลบกันมาแล้วไม่ไมกินนาที ทำมือทำพาก็ได้เงี้ยได้นออนในสงฆ์เงี้ยไ้เ่าเจ้าองให้เราอาจจะมีใครเดินผ่านมราแล้วมันก็เห่ า, าหอนขึ้นมาจะบอกว่าวันที่มีคนไทยตายอะไรอย่างงี้ครับเขาถามมาว่าพระอาจารย์มีความรู้สึกเศร้าหรือหดหู่เข้ามาสัมผัสในใจบ้างไหมครับเฉยๆก็เป็นเรื่องธรรมดา ขอวิธีพระอาจารย์ครับกําหนดจิตใจ ย, ยังไงเมื่อคิดถึงอดีตที่เคยทําไม่ดีเราควรจะปล่อยวางอย่างไรดีครับเก็ยอมรับว่ามันทําไม่ดีมันก็ต้องมีผลตามมาต่อไปเรากลับไปลบล้างมันไม่ได้สิ่งที่เราทําได้จากการคิดถึงัอดิตที่ไม่ดีก็คือเอามาเป็นเป็นเรื่องมาสอนใจแต่ว่าเราเราอย่าทําอย่างนี้ก็แล้วกั น, กน เวลาที่เดินจงกรมไม่ต้องบริกรรมแต่รู้สึกตัวว่าเดินอยู่แบบนี้ได้ไหมครับก็ต้องมีสติอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเดินไม่บริกรรมก็ต้องดูที่เท้าเราต้องเฝ้าการก้าวเท้าของเราซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ใช่เดินเฉยๆปล่อยให้ใจลอยต้องมีอะไรผูกใจไว้ ช่วงนี้หลุดทำบาปมากเลยครับรอาจารย์เพราะว่าด่าทั้งเขเมຈและหุนเซนครับสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้เลยต้องทำอย่างไรดีครับก็หยุดติดตามข่าวสารชั่วข่าวราไม่ติดตามทั้งวันทั้งวันมันก็เืมไปหมดนะคนที่คบกันส่งคำสอนของพระมาให้เป็นประจำถือว่ามีบุญสัมพันธ์กัน มีหมอดูมาพูดว่าเป็นคู่บุญแต่อดีตชาติอย่างนี้กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจริงไหมครับถ้าเราเราเร่องชาติไม่ได้ก็เราก็ไม่รู้หรอกก็ไม่ต้องไปสนใจอดีตมันก็ผ่านมาแล้วให้สนใจปัจจุบันว่าเราควรจะกระทำอย่างไรท่านี่มีพวกเทวดามาขอฟังธรรมพระอาจารย์บ้างไหมครับเ <c oughs> วลานอนหลาไม่ได้มีใครมา <c oughs> อันนี้ไม่อยากจะพูดเดี๋พูดไปมันแก่เรื่องภายในเรื่องส่วนตัวขออภัยด้วยครับผมสีนแปดเพราะความไม่รู้ฟังข่าวติดตามสถานการณ์ชายแดนผิดสินไหมครับถ้าผิดไปแล้วหนูควรจะทําอย่างไรครับถ้ถือสีนแปดก็ไม่ควรที่จะไปสนใจกับเรื่องของทางโลกข้อต่อไปก็อย่าไปติดตามถ้าถือสีลเพียเพ่ยนมาถือศีนห้าจะดีกว่า เริ่มปฏิบัติธรรมมาห้าปีแล้วครับเห็นความก้าวหน้าน้อยมากก็เลยปลอบใจตัวเองว่าถึงก้าวหน้าช้าแต่ก็ได้ในเรื่องขันติบา ร, รมีและวิริยะแบบนี้คิดถูกไหมครับก็คิดว่าเราทําน้อยไปยังดีกว่าเราควรจะทําให้มันมากขึ้นที่มันก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็อยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่เหตุเหมือนขับรถเนะ่ยเวลาคุณเหยียบคันเร่งเหยียบมากเหยียบเหยียบน้อยมันก็ทําให้รถวิ่งวิ่งช้าวิ่งเร็ว ยียบไม่มากมันก็ไปช้าถ้าเหยียบมากมันก็จะไปเร็วขึ้นก็อยู่ที่ความเพียรของเรามากกว่าให้คิดอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้ขยันทำให้ให้มากขึ้นเพราะเหตุใดเดี๋ยวนี้พระบวชไม่ถึงห้าพันสาอาจารย์สอนธรรมะกันมากครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีความรู้สามารถศึกษาได้ไม่ไมเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้ไม่ได้มีการเรีนหนังสือมา ก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะศึกษาเพราะทํามําสอนได้ด้วยตนเองแต่สมัยนี้อาจจะมีความสามารถเพราะมีความรู้ทางโลกมีเครื่องมือคือการอ่านออกเขียนได้ก็เลยอาจจะสามารถศึกษาได้มากแล้วคิดว่ารู้มากก็เลยตั้งตนเป็นอาจารย์ก็ได้หากชนแมวโดยไม่ได้ตั้งใจตอนชนแมวยังมีชีวิตอยู่แต่เราไม่ได้ลงไปดู เพราะกลัวและดึกแล้วคิดว่าค่อยมาดูตอนเช้าแมวหายไปตอนเช้าหากแมวตายเป็นบาปมากใช่หรือไม่ครับอถ้าเราไม่มีเจตนาไม่บาปเหรอเพ็นแต่ว่ามันก็มีความเสียหายแต่ไม่บาปเรากล่าวคำอนุมโมทนาให้เขารับรู้หรืออนุมโมทนาในใจอย่างไหนจะมีอนิสงส์มากกว่ากันครับ การยูที่เขาได้รับรู้เขาฟังได้หรือเปล่าถ้าเขาฟังเสียงเราได้ก็ก็กล่าวเขาในอนุวุญทนาเขาได้ยินเสียงแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงเราก็กล่าวไปในใจแล้วทุกวันนี้ข่าวสงครามทําให้ลูกหดหูมากทหารที่เสียชีวิตเพื่อบ้านเมืองออกทหารยอมเดินถือปืนยืนเรี้ยงหน้ากระดานต่อสู้จนตัวตายรู้ทั้งรู้ว่ายืนเรียงหน้ากระดานแบบนี้ต้องตายทหารเหล่านี้ถือว่าเขาฆ่าตัวตายไหมครับ หมอแม่เนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วก็ต้องเม่นกับเจออุบัติเหตุรอาจารย์ครับ Dear one r a b l e you r d h a l m a i s inspiring and well spoken นะครับอาจารย์ Thank you คำถามสุดท้ายครับอาจารย์บป ก, กติ บ, บนเขามีหมาหอนหรือเสียงสัตว์ร้องแบบนี้ไหมครับ ไม่ดีหรอกเพราะว่ามั้นสัตว์มาเข้าไปไม่ได้เพราะมันเกตห่วงฆ่ามีมีรั้วกัน้นแล้วก็มีมีคนคอยคอยดูแลแล้วก็ไม่มีอะไรให้ให้มาเข้าไปเพราะไม่มีใครเลี้ยงมันมีแต่กวางกระลิงใช่ไหมครับอาจารย์ออันนั้นเป็นจับ <laughs> ตาเ้าก็หากินของเขโดยธรรมชาติของขอะไรอากาศครับอาจารย์ครับวันนี้มีคน ฟังทมด้วยกันในเฟซ761คน 94, ครับในยู653ในคลับ9ในติ๊กต็อก574รวม 1,997 คนนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา25นาทีวันนี้พระอาจารย์ตอบไป118คำถามครับระอาจารย์คก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังมาสนทนาทากันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อย สตลอดคืนนี้การสนทนาทำก็หมดเวลาก็ขอให้ท่านยังเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจาราิญก้าวหน้าในธรรมยิงย่งขึ้นไปเถอดสาธุอา<ล>จา ร, ราย์ท้าวจะกลับเรียนพระอาจารย์เป็นครับอาจารย์ครับปฏิสัปดาห์หน้านี้ผมจะมีภารกิจไปต่างประเทศครับจะขอโอกาสอาจารย์เป็นวันเสราร์ได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ ถ้าที่ถ้าที่พูดตอนนี้เนะี่ยเพราะว่าไม่ทราบว่ามีมีมีอะไรหรือเปล่าแต่เชื่อขวขาไม่มีก็เป็นเป็นปกติแต่ถ้ามีมีอะไรเหตุจำเป็นยังไงก็อาจจะต้องแจ้งให้ทราบอีกทีไม่ก า, ากรับ่ากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ครับแต่ก็เหมือนเ้าเหมือนกับทุกครั้งที่เคยเคยเปลี่ยนใช่ไหมมันก็เหมือนกันจากวันอาทิตย์ก็มาเป็นวันเสาร์ก็ไม่มีปัญหาอนะเพราะมปกติก็ไม่มีเิตอะไรที่ที่ต้องทําในวันนั้น นี้ก็เป็นวันเสาร์หน้าแทนที่จะเป็นวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้ไว้ลงหน้าก่อนเลยพูดตอนนี้อย่าอยเปลี่ยนนะเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งเลยคุณหมอเปลี่ยนอีกทีมันจะยุ่งครับผมถ้าไม่มีเหตุอะไรก็ไม่มีเปลี่ยนครับอาจารย์เราอยู่ในโลกของความไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็เปลี่ยนได้เกิดได้นะก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันโอเคขอเจริญทอนกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ